มาเจ้าตอนตบมัดเช้าหลวงพ่อก็ได้เทศธรรมะแต่เดี๋ยวเราจะได้ฟังอีกนนครั้งหนึ่งตอนเย็นนะแล้วก็ตอ น, นเช้านั้นท่านก็ได้เขียนเป็นลายล่กษณอักษรนิดหนึ่งว่าวันวิสาขะบูชาที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะในปีนี้พุศักราชสองพร้อิกจะมีดำลีว่า ป่าที่เราปลูกกันมาประมาณ10ปีประมาณ10ปีที่ผ่านมานะี่ก็คือพวกต้นยางต้นตะเคียนต้นปะดูดต้นแดงแลหลายชนิดนะเนมอคกาีปลูกกันรอบๆบลัวท่านก็คล้ายๆกับสร้างแรงจูงใจ ให้พวกเราได้สนใจป่าไม้ในการคล้ายๆขอความเห็นนำเสนอความคิดเห็นว่าให้เราบวดต้นไม้กันทุกคนให้มาเป็นเจ้าของกันกอไผ่ประมาณ500ร้อยกอต้นไม้นานาชนิดประมาณหนึ่งแสต้นให้เราคนร่วมอนุรักษ์โดยให้เป็นงานของ เจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นยุคนั้นเกิดไฟไหม้ป่าประมาณ200ไร่เศษช่วงเดือนมีนาถึงวันที่25เมษายนของทุกปีมันจะเป็นงานที่ชาวบ้านต้องมาร่วมกันทําบนครั้งใหญ่เป็นงานประจาปีคือดับไฟนะ ดับไฟจะมีสัญญาณดังแล้วชาวบ้าน้ามากันแต่ว่ายุคนี้ทำรั้วรอบขอบชิดแล้วเป็นรั้วแสดงออกถึงขอบเขตป้องกันไฟป่าแล้วก็ห้ามไม่ให้คนบุกรุกตัดสมุนไพรแล้ ว, ว่าดีพึ่งน่าจัดทุกชนิดกำลังดำเนินไวจะทำเขตอภัยฐานแบบเป็นทางการอีกวันสองวันนี อาจะเอาสเปรย์พ่นไปเลยรอบรั้วประมาณ4 6 0เมตรหรือว่า4กิโลเมตรเเป็นตัวสอนหมนเนดเขลือทะายนแล้วก็จึงนี่เราต้องคล้ายๆกับมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของบทป่าเป็นเจ้าของกวละต้นเลยหลวงพ่าบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยเหมือนลูก ต้นไม้ที่เกิดก่อนเราเหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนหน้าเหมือนอาเกิดทีหลังเนี่ยมันน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเวลาปลูกต้นไม้ท่านบอกว่าให้ระมัดระวังดีๆเหมือนกับกําลังเอาลูกนอนหลงอู่หลงเปรต้องประคับประคองถนอมดีๆมันจะปลูกไม่ขึ้นรากมันจะแตก หมายถึงว่าไม่จับดินนะนะแตกออกจากดินดินแตกออกจากรากเวลาปลูกต้องกดดีๆร ด, ดน้ำดีๆแล้วก็เหยียบดินให้แน่นก็ถนอมพอสมควรเวลาปลูกต้นไม้คราวนี้มันโตขึ้นมาก็ต้องรักษากันแล้วก็วันนั้นต่างคนต่างต้งตองหอ่อข้าวมากินเองหาอาหารมาเองตัวใครตัวเราจะบอกไปทางคณะสงเจ้าคณะอำเภอ เราตามโรงเรียนตามกลุ่มต่างๆในเครือข่ายผู้ที่มีแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้หรือวลำธารแผ่นดินอากาศมลพิษมลภาวานะพวกนี้ให้มาชุมนุมกันในวันวิสาขาบูชาเต็มพื้นที่562ไรนะ่รวมกันเป็นงานบุญครั้งใหญ่ครั้กงก็เตรมตัวเตรมใจกันนะ เล่งกันไว้ก ย, ยกอกอไหนต้นไม้ต้นไหนเอาว่าเหลืองไปบวชกันให้เหลืองเต็มวัดเต็มวาเลยก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งนะอันนี้เรามาฟังหลวงพ่อเขียนมาเช้านะท่านเทศธรรมะอย่างไรได้สังเกตนะว่าเวลาพูดธรรมะท่านบอกเลยว่าความคิดปัญญานะ่มันไหลออกมา เราหยิบมาใช้ไม่ทันลิ้นมันบิดไปบิดมาเลยเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราคิดพูดเคล้นมันใช้พลังเวลาเรียบเรียงเข้าร่องเข้าช่องเข้าทรงทรงศีลทรงธรรมจะเห็นว่ามันเป็นร่องของมันบางทีปัญญามันทักรวงมาหยิบมาใช้ไม่ทนันมันมาแล้วลิ้นบิดไปเลยเราลองฟังวันนี้ หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีความชัดเจนในสภาวะธรรมก็เลยพูดไม่ได้โดยส่วนตัวมาบอกไม่จริงหรอกอันนี้เป็นเรื่องของขันห้าเราควบคุมไม่ได้ของตาสี่ขันห้าที่มันเป็นความเป็นเองตามเหตุแต่ปัจจัยเหมือนรถนะนะรถนะี่ยถ้ารถ ด, ดีๆนะวิ่งไปเถอะถึงไหนถึงกันแต่ถ้ารถคันไหนไม่ดีวิ่งไปก็ต้องจอดซ่อมไปหมายถึงว่ามันมันชำรุด ขันห้าเราก็เหมือนกันธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมถ้ามันชํารุดก็ไม่ปกติอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เป็นภายนอกแต่ไม่ใช่ภายในแต่ภายในเนี่ยเรารู้กันอยู่โดยว่าตัวเองรู้ตัวเองอยู่นะอันเดียวเราฟังหลวงพ่อท่านก็พูดถึงสภาวะที่ให้เราเป็นครูสอนตัวเองเมื่เช้าเนะี่ยท่านเน้นให้ต่างคนต่างทำเพราะว่ามันช่วยกันไม่ได้จริงๆ จะช่วยกันได้เพียงแค่ว่าเป็นเพื่อนเป็นกระมิ่นชี้นำชวนกันสร้างสิ่งแวดลอ้อมบนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราร่วมกันฟังแล้วก็ปฏิบัติทรรมไปด้วยก่าวนี้หมครับ